ค <c oughs> วรจะเวลาสอนสติออกมาฟังได้ทำแล้วถ้าไม่ได้ฟังเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจทำบุญเข้าใจทำทานไปวัดทำบุญไปทาบุญโดยเฉพาะเรา ทางชาว บ, บ้านเรียกว่าไปรวมรวมบุญกฐินรวมบุญมหากฐินบวามจริงกฐินไม่เป็นของทาทานในยพูดกันต่อนเนื่องไปเทศเตอว่าทําบุญทาทานทำบุญทาทา น, ทาทาทานต้องแก้กองเป็นสองอย่างทาทานอธิตบูชาทําบุญปฏิบัติบูชาขอบุญเจ้าให้ทาบุญ ไม่ตัดตรู้พระพุทธเจ้าทำทานสีอสุไสกับทังไรแสนหากับแต่ก็ไม่ได้ตัดตรู้เลยหยุดทำบุญหยุ ด, ดทำทานก็ทำบุญสิทำทานเห็นไหมมีอะไรก็ทานหมดโลกไม่ออกไม่ใจแตแท้ก็ทานได้พวกเรายังไม่กล้าเหมือนพระพุทธเจ้าหรอก พระพทเจ้าที่ยังไม่ได้ตัดศัตรูเป็นพระเวทขันดอนเป็นชาติสุดท้ายชาติพระเวทขันดอนนมีอะไรก็ทานหมดมีช่างมีมา้ามีลาชรถมีอะไรที่พาไปเข้าป่าเข้าดงคงไปอะไรเลยเคยยินข่าวว่าพระเวทขันดอนจะเป็นนัก แ, แหวงหาทาน แ, แหวงทําทานมีอะไรทานหมดก็ไปดักขอหมด ปัญหาชาลีก็ไปขอเอาถึงกับร่อนถึงพระอินทร์ว่าพระเวสสันรอนจะทานหมดแล้วก็จะไม่มีใครดูแลแล้วก็จะได้ไม่ได้ตัดตะลูกแต่ไม่ได้ออกปฏิบัติทำไม้สมบูรณ์แบบทานต้องให้สุดยอดเสียก่อนบา ร, รมีเต็มเปี่ยมเสียก่อนเขาฉะนั้นจึงพระอินทร์จะมาแปลงตนแปลงตัวว่าเป็นคนออกมาเป็นพรามหมณ์มาเอา นั่งวัทีมาถวายให้พระเวสสันดรว่าไม่ให้ทานให้คนอื่นนี้นั่นขอมอบเพืนให้พระเวสสันดรไว้ปฏิบัติปัะทานดูแลหาผลละหมากรากไม่มาให้แล้วก็ห้ามไม่ให้ทานต่ออีกจึงได้ <c oughs> ไม่งั้นก็ถว า, ายหมดเลนแหละพระเวสสันดรเพราะว่าเป็นชาติตัวท้ายแล้วบอกโลกโลกกับ ไปกับาพามหรอกจังเทวดาไปฝอยขึ้นมาก็บเป็นบังอยู่ในสระน้ําเรียกลูกขึ้นมาหน่อไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนกับมาเถิะกลับมาเถอดพามก็มาพู ด, ดวยวดยวนกวนใจว่าพระเวียดฉันร้อนใจไม่ส ป, ปอร์ตทานไปแล้วก็เอาขึ้นมาก็มาก็หกพกลมเอาลูกไปไว้ตรงไหนก็บอกขึ้นมาสิ <c oughs> พูดไปพูดมายวดยวน ถ้าเห็นฉันรอนจะน่เห็นนัลยฉันรอนจะเป็นล่องเรียกลูกให้กลับขึ้นมาเอระความมาช่วยพระบิดาเพื่อเป็นเจ้าทาสุดท้ายแล้วให้กลับขึ้นมากดลนคนทุกขเอาร่องขึ้นมาก็มาใช่ขึ้นมาเราสามาลากถูไถ่ทั้งเชี่ยนทั้งตีต่อหน้าต่อตานถ้าเป็นเราธรรมดาจะทำได้ไหมล่ะก็จะมาตีลูกต่อหน้าต่อตาหรอ โอ้เหนือถึงอดเอาหนัได้ความอดทนขันตีประมังตะโปวนเป็นชาติสุดท้ายแล้วโมโหโทโสขึ้นมาทอดดาออกมาแล้วไม่ได้นัมีความอดทนสู้สูงไม่ได้เป็นชาติสุดท้ายเราต้องอดเอาทนเราถ้าเราทำบาปข้างนี้ไม่ได้ตแต่รู้ง่ายนั่นนี่มีปัญญานะการทําสมาธิเห็นื่อยไห เราไปวัดไม่ทําบุญไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําสมาธิมีศักดิ์ภาคอาบุชาไม่มีาภาคปฏิบัติบูชาเลยไม่มีปัญญานั่นถ้ามีสมาธิามีปัญญามีความเห็นในถูกต้องความเห็นในถูกใจถูกต้องคืออะไรถูกใจคืออะไรทานคืออะไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไรนี่ไม่รู้เมื่อเวลาไม่เห็นบุญไม่รู้บาปไม่เห็นสวรรค์ไม่รู้นรล้ สวรรค์นในอกนรกในใจถ้าเทียบแล้วแต่ว่าดูสวรรค์นนะพาดูสวรรค์นนะเมื่อกี้นี่ถ้าเห็นสวรรค์ก็เห็นใจสวรรค์อยู่ในใจสวรรค์นในอกนรกในใจน่ะนรกอยู่ในหัวใจถ้าเห็นสวรรค์เช่นก่อนมันจะรู้นรกนรกคืออะไรร่ำรวยสวยงามนั่นตัวใจอะ่ะใจของคนไปอยู่กับร่ำรวยกับสวยงามมนโนราห์นางมนโนราห์มนโนคือใจ ข้าวศีทนตามนางมโนลากี่ปีละเจปีเจเดือนเจวันจึงไปเจอไปเจออยู่ที่ไหนไปเจออยู่เมืองภูเงินมะโนคือใจเห็นไหมใจของทุกคนมันอยู่ที่เมืองภูเงินเมืองภูเงินเมืองร่งํารวยนั่นเป็นนรกไหมละ่ะสวยงามก็นรกร่ำรวยก็นรกยืมกันมาโกงกันคบคนกันกับพระเรื่องร่ํารวยใช่ไหม ยืมแล้วมาส่งค้นให้ไม่ส่งค้นให้ถามกันไปถามกันมาสองครั้งสามครั้งเอาปืนไปด้วยให้หรือไม่ให้เป็นนรกไหมล่ะทะเลาะกันแล้วอุ่นวายแล้วสวยงามเหมือนกันนี่แหละเพชรดินกิดาไปมั่นกันไว้ไปมั่นกันไว้ตลาดังดังมัดกันมั่นกันไว้หลายๆแสนหลายๆล้านสองั้เดือนทะเลาะกันแล้วเพราะความหึงหวงเป็นนรกไหมนรกคือความรอดในใจ ใจขขของข อ, งของทุกคนในโลกทวนมากก็ไปอยู่ในน้ำนมนรกนะจมจะได้นรกเนี่ยเข้าใจไหมเห็นไหมสวรรค์เมื่อกี้ที่พาดูสวรรค์นในอกนรกในใจทุกข์อื่นยิ่งกว่ากล่มสงบไม่มีน่นคําของพระเจ้าทําไมไม่ทําเราสงบทําไมไม่ทําเราไปวัดทําบุญอนะ่ะเป็นไจะไปทอบวุ่นวายคนเราชอบยุ่งได้ยินไหมฟังเสียงพระเจ้าไหมคนเราชอบยุ่ง เร่องรุ่งรุ่งชอบทำเรื่องสบายไม่ทำไปพูดเฉยๆไปว่าทำบุญไปว่าทำบุญโกหกตนเองนั่นความรับไม่มีในโลกไม่เข้าใจหรือไปโกหกตนเองโกหกหมู่พวกวันนี้ไปทำบุญกฐินใหญ่ไปทำบุญกฐินใหญ่ทำทานก็ว่าก็่ทำบุญ เ, เพราะไม่รู้บุญบุญบคือความสงบโชคอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้ามีสมาธิมีบุญมีปัญญานั่นความรอบรู้ความรอบรู้ในกองสังขานเนี่ย ว, ว่าปัญญามันขาตัวเดียวนี่แหละ ทำในสิ่งที่ถูกใจก็ว่าทำบุญนั่นนันไม่ถูกต้องนะทำเป็นได้บุญทําไม่เป็นได้บาปทำกระถิ่นนะบางแห่งเระทำบุญกระถิ่นทำบุญกระถินพระลูกสองลู ก, กว่าเป็นบุญกรถินไม่ครบองตามหลักพัทธธรรมมีในมีไว้แล้วต้องให้มีพระห้าลูกขึ้นไปพระพระจะทํากระถิน ญาติโยมเป็นผู้หารกรก orn ผู้ทําฐินคือพระถึงเราจากได้บ้านต้องให้ช่างทําบ้านสร้างบ้านให้อยากได้บุญญกฐินก็ให้พระเป็นผู้ทําให้พระห้าโลกรู้จักอปปโรกยัตติกามยุติจักกามรู้จักตัดเย็บย้อมกสีของผ้ารู้จักสีของผ้ารู้จักอธิษฐานรู้จักขอดถอน รู้จักชีวยจกะสังเคยิจกะรูปรวมลังรวมวิวัสสตนุววตะตัดตรงไหนจี๋ขันจีขันรู้จักสีของผ้ารู้จักย้อมตัดวันนั่นเย็บย้อมวันนั่นถ้าไม่เย็บไม่ย้อมวันนั่นทําไม่ได้าสามารถทมัดง่ายเขาทาเหล็กรูปแล้วสําเหล็กรูปแล้วทำเหล็กรูปแล้วม <c oughs> ันไม่เป็นกรถินคนละอย่างถ้ากรถินในสมบูรณ์แบบกนตัดวันนั้นย้อมวันนั่นเย็บวันนั่น พระในวัดนั่นต้องมีส่วนร่วมกันหนีไม่ได้นะพระเป็นช่างถ้าพระทําให้เป็นก็ไม่เป็นกตินเหมือนเราอยากได้บ้านถ้าช่างทําให้เป็นเราจะได้บ้านได้ถูกใจไหมล่ะนั่นอันใดก็เหมือนกันนั่นแหละวัดนั้นคําว่าอ น, นุสง์กตินเป็นหน้าที่ของพระจะได้อ น, นุสงกติณีแต่ส่วนญาติโยมก็ได้เหมือนเดิมถ้าทําถูกต้องถ้าทาถูกใจพิอะไรก็ไม่รู้นั่น ผ้าไม่รู้อะไรก็อะไรเยอะแยะไปหมดทตัดวันนั้นเย็บวันนั่นย้อมวันนั่นได้สีของผ้าวันนั้น่นะการกรถินวันนั่นท่านเย็บแล้วต้องการกระถินด้วยผ้าพื้นนี้เวลาถวายผมจ ะ, จะแพ่ให้ฟังญาติโยมจะสวดให้ฟังจะบอกให้ฟังนัน่นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกั็ว่าปฏิบัติบูชากับอา m i ต h บูชาหรือทําบุญกับทําทานทําทานอาหารกายทําบุญอาหารใจ ใจไหมในตัวของเรามีกายก็มีใจสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเลี้ยงเท่าไรแตงเท่าไรรักษาเท่าไรค่าผมค่าขนค่าเล็บค่าฟันเดือนหนึ่งปีหนึ่งจ่ายเท่าไหรค่าแต่งต้นแต่งตัวค่าอาหารปีหนึ่งเท่าไร่ค่าประดับประดาค่าเครื่องเล่นค่าเครื่องอะไรต่างๆนานาสนุกเมืองข้าม yeah. al ิตรแดดกับฝนสนุกเมื่อค uh ้น uh มิตรกิน so กับเลนเมื่อค้นคือเมืองน้ารกเมืองน้ารกนันี่เอ้เอาแหมล่ะเมืองสวรรค์ มิต่เดียกับฝนเพามีความรักความโลภไม่มีความรักกับความโลภแล้วมีความโศกใจของคนมาอยู่ความรักความโลภมันมีแต่ความโธ่กองโธ่นั่นมันนรกไหมรักกับโลกอ๋อใจทุกดวงไปอยู่กับรักกับโลกกับรักกับโลกรักกันแล้วหวังกันหึงกันผู้หญิงพูดกับผู้ชายไม่ได้ผู้ชายพูกับผู้หญิงไม่ได้ทะเลาะกันรอดไหมเราเป็นนรกไหมเราแล้วขการทําบุญมีลูกเป็นยังไง ไม่รู้บุญเป็นยังไงเลยเพราะเราไม่ดูนะส่วน้าก็เอาของไปถวายพระก็ว่าทําบุญทําบุญเห็นไหมทํำให้พระยุ่งดีไม่ดีกับพระเกิดเจดิตเกิดกรมโลกตามจักพระวุ่นเป็นอยู่นั่นชอบยุ่งไหมข่านิยมเป็นงั้นละไม่เข้าใจการทําบุญนะไม่ดูไม่เห็นไม่รู้ไม่ดูสวรรค์ไม่ดูไม่เห็นไม่รู้เสียชีวิตเจ้ากรรมในเวรก็ไปถาม ใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนังโมจักพระพุทธเจ้อยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอมีร่างกายก็เรื่มใจเราเรื่มเจตนาอันดัน้งเดิมติดตั้งเอาไวา้แล้วมันแต่ร่างกายพาราฮาเวเปันจักขันพาขันห้าพาระอันหนักหนักหรือเบาถามใจของเราเองถ้ารู้ว่าหนักหรือเบาต้องเข้าสมาธิดูไม่ใช่ว่าตาเนื้อตาเนื้อตาเกลิดเห็นแต่ล่ำรวยกับสวยงามนี่แหละ ต้องใช้ธรรมะจักถุกคือตาภายในตาภายในที่ไหนสมาธิเออเจ้าได้สินทำสอนญาติโยมให้ทำอะไรทานสินบุญทานสินสมาธิทานสินภาวนาแปลได้หลายอย่างคําว่าบุญบุญให้ทําให้ทําบุญเป็นทานนั่นบอกทําบุญเป็นทานมีอันิสง์กิ่งกวัวให้สิ่งทั้งกวงเข้าใจไหมนั่นนั่นแหละทำบุญ ก็คือทำให้จิตนิ่งทำให้ใจจิตสงบจิตนิ่งจิตสงบแล้วมีสมาธิมีปัญญามีความรอบรู้หากการทำสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรอบรู้ว่าถูกล้องกับถูกใจมันเป็นยังไงทานกับบุญมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนั่นเพราะไม่เข้าใจไม่ทำจุดนี้อยากให้เข้าใจจุดนี้อยากให้ทาบ่อยๆทำบุญอาหารใจไม่ได้ซื้อ ถ้าได้ซื้อลมซื้อมากกว่าข้าวหน้ามพอจน่าอาหารเครื่องแต่งตนแต่งตนเพราะลมหลับตาแล้วนอนหลับไปแล้วก็ยังใข่ลมอยู่นะพังเผอหนึ่งนาทีสองนาทีไม่ได้อะไถ้าไม่มีลมใจไปแล้วเรียกว่าอะไรภาษาบันเราตายนั่นอาศัยลมเป็นที่ยูแต่ไม่ดูนั่นแหละ ไ, ไม่ดูไม่เห็นไม่รู้ ไม่เห็นใจไม่เห็นลมไม่เห็นสวรรค์ลกสวรรค์อยู่ในลมพระพุทธเจ้าได้ตัดรูปพระพุทธเจ้าดูลมอนาปานุสติเข้าใจไหมถ้าทําตามคําสอนของพรุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าจึงให้อย่าเป็นเชื่อพระอย่าเป็นเชื่อหนังสือตำราลพ่อพูดก็ไม่ใช่พูดในเชื่อนะเอาคําสอนของพรุทธเจ้ามาถู่มาพูดถูกฟังว่าพุทธเจ้าได้ตัดรูปคือพระุทธเจ้าทําอะไรพุทธเจ้าดูลมอาอนาปานุสตินั่นะ รวมเข้าลวมบอกลวมเขรวมอกฆ้าหากเราไม่ได้ตัดตะรุปเป็นผู้เจ้าวันนี้เราไม่ลุกหนีจากเทเราก็ตั้งทัจนะบ้างเททัจนะเท่าทนั้นที่จะฆ่ากิเลสถ้าหากเราไม่ได้นั่งรู้ใจวันนี้หนึ่งนาทีเราจะไม่ยอมนอนว่าลงไปสิทําได้ไหมล่ะเมืม่อเ<ม>ช้านี่บอกแกดมบางคนกล้ารับบางคนไม่ไ ม, ไม่กล้าทันไม่กล้ารับทัญญาก็ลวงปูหลอก น, นั่นเห็นไหมแค่แค่หนึ่งนาทีนะคิดดู วันหนึ่งไม่กี่นาทีให้อาหารใจหนึ่งนาทีไม่ได้ทานทำไมเข้าทําไมต้องปู่ติว่านั่นก็ฆ่ากิเลสต้องเอามันดุด่ากิเลสฆ่ากิเลสด่ากิเลสมันไม่บาปตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนเราไม่เตือนตนเองสักทีไม่มีปัญญานั่นไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรอะไรนี่ไม่มีปัญญาเอาทําตามกิเลสทำตามกิเลสทำตามกิเลสก็ทําตามใจ ใหญเออบาดไปด้วยกิเลสรักโลกนี่มาตัวบากใจอะ่ะเขาไม่มีตัวไหนหรอกตัวใหญ่ก็เพื่อนคือรักกับโลกนี่แหละมาต่างประเทศเขาพกความโลกไม่ใช่หรืออยากรวยอยากรวยนั่นรวยเราไปทําอะไรเกับปา้านป้าตกแต่งผมผลเล็บปั้นหนังซึ่งพระเจ้าสอนพระพผู้ทรงให้พิฏยาเรื่องผงผลเล็บปั้นหนังว่ามันเป็นของสุขภพหลังขาดร่างกายมันมีแต่ของสุขภพ มันดีตรงไหนหรอเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นเอาปัญญาไปดูนะถ้าเอากิเลสไปดูดีดีดีดีแล้วมันเกิดทําไมอยากให้เน่นหนะักภาคปฏิบัตินะจะมีวัดจะมีวามีวัดว่าศาสนามีพระเจา้าพระสงฆ์อุปบาตันเพื่อเป็ครื่องนะเครื่องนําแนวทางชีวิตของเราเป็นเครื่องเตือนใจของเราว่ามีพระมีพระนั่น พระทางนอกเองพระทางในอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าจะในหัวใจทําหัวใจให้เป็นพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้รู้ให้รู้บาปบุญพุทธะแปลว่าผู้รู้รู้บาปรู้บุญเรารู้บาปรู้บุญไหมถ้ารู้ทําไมไปป่นไปกี้เลือนจำเท่าไหร่แน่นไปหมดประเทศไทยเมืองไทยเมืองพุทเมืองไทยเมืองพุทธเพิ่มเพียงเดียวไม่ได้ไปแย่งไปป่นไปกี้ไปฆ่าไปตีเอา ไหนล่ะมึงพุดอยู่ที่ไหนไม่มีเมตตาปณีกันเลยไม่มีฟ้องร้องสมานถามมักีน้าหนึ่งใจเดียวกันเลยมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาโอ้ปัญหาไม่มีเสื้อหมามายุ่งเอาคิดดูให้ดีถ้าไม่ทํำจุดนี้หรอกเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียทีที่ได้พบกับศาสนาทุกที่สุดคือหาที่เกิดตั้งใจมาทําคุณงามความดีแต่ไม่ทําทําแต่ความชั่ว อ้อคล่องใจองมันรู้นะทำแต่ความชั่วใช่ไมรักโลกนั่นอกับความรักกับความโลภแค่นั้นนั่นแต่ความชั่วของกิเลสมันแฝงอยู่ในจุดนี้นะถ้าไม่ดไม่เห็นหรอกใจไม่ยอมหรอกปากไวอำนจมีกุตลเอาตนในตเม่อนะตีเนองได้เสียลามารวกันตรวจเงินผา คำบอว่าทําคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศัิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ต้งมารวมกันต้องปกป้องปกปักษ์ภาษาเอาคนได้รวมมรกหลานได้ดีพี่น้องต้งมีตะกอนสุกคนทุกเลิศสุกกายสุกใจหายจากทุกโศกโรคภัยทํางานสิ่งใดการเงินถึงใดปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดโดยเฉพาะในหลักคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้งพากันตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และจะมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลในพรทาตนี่เธอ